วักที่7ปัญหาที่หนึ่งถามอาการแห่งสติพระจามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนสติเกิดขึ้นด้วยอาการเท่าใดพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรสติเกิดขึ้นด้วยอาการ17เจ็อย่างคือเกิดขึ้นด้วยการอย่างรู้ยิ่งหนึ่งด้วยซับหนึ่งด้วยวิญญาณอันยิ่งหนึ่งด้วยวิญญาณเกื้อกูลหนึ่ง ด้วยวิญญาณไม่เกื้อกูลหนึ่งด้วยนิมิตที่เหมือนกันหนึ่งด้วยนิมิตที่แปกกันหนึ่งด้วยการอย่างรู้ยิ่งกรถาหนึ่งด้วยลักษณะหนึ่งด้วยการดลึกหนึ่งด้วยการหัดคิดหนึ่งด้วยการนับตามลำดับหนึ่งด้วยการจำหนึ่งด้วยการภาวนาหนึ่งด้วยการจดไว้หนึ่งด้วยการเก็บไว้หนึ่ง ด้วยการเคยได้พบได้เห็นหนึ่งข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้อว่าสติเกิดขึ้นด้วยการอย่างรู้นั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรสติเกิดขึ้นด้วยการอย่างรู้ยิ่งนั้นเช่นกับผู้ที่ระลึกชาติได้และสติของพระอานนท์อันฝั่งพระสูตรครั้งเดียวก็จำไว้ได้และสติของนางขุทชชุดตราอุบาสิกา ฟังพระจัดทมเทสนาครั้งเดียวก็จำได้แล้วนำมาแสดงให้ผู้อื่นได้ทว่วทีข้อว่าสติเกิดขึ้นด้วยทรัพย์นั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรคือคนขี้หลงขี้ลืมย่อมมีอยู่เวลาเห็นคนเหล่าอื่นเก็บทรัพย์ของเขาไว้ก็นึกถึงของตนได้จึงเรียกว่าสติเกิดขึ้นด้วยทรัพย์ข้อว่า สติเกิดด้วยวิญญาณอันยิ่งนั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรเหมือนอย่างพระราชาผู้ได้รับอภิเศกใหม่หรือผู้ได้สำเร็จโสดาปติพล์ย่อมมีความรู้สึกดีใจอย่างยิ่งความดีใจนั้นทำให้เกิดสตินึกถึงสิ่งต่างๆได้ข้อว่าสติเกิดด้วยวิญญาณเกื้อคูลกันนั้นคืออย่างไร ขอถวายพระพรบุคคลได้รับความสุขในที่ใดก็ระลึกได้ว่าตนได้รับความสุขในที่นั้นข้อว่าสติเกิดขึ้นด้วยวิญญาณอันไม่เกื้อกูลกันนั้นคืออย่างไรขอถวายพระพรบุคคลได้รับความทุกข์ในที่ใดก็ระลึกได้ว่าเราได้รับความทุกข์ในทนี่นั้นข้อว่าสติเกิดด้วยนิมิตที่เหมือนกันนั้น คืออย่างไรขอถวายพระพรคือบุคคลได้เห็นผู้เหมือนกันกันกบมารดาบิดาพี่ชายพี่สาวหรืออูดโคลาของตนแล้วก็ระลึกถึงมารดาบิดาพี่ชายพี่สาวอูดโคลาของตนได้ข้อว่าสติเกิดขึ้นด้วยนิมิต ท, ที่แปลกกันนั้น คืออย่างไรขอถวายพระพรคือเมื่อได้รู้เห็นสีกลิ่นรสสัมผัสของผู้ที่แปลกกันหรือสิ่งที่แปลกกันก็ระลึกได้ถึงสิ่งนั้นๆบุคคลนั้นๆเช่นเห็นคนขาวก็นึกได้ถึงคนดำเป็นตัวอย่างข้อว่าสติเกิดขึ้นด้วยการรู้ยิ่งซึ่งกถานั้นคืออย่างไร ขอถวายพระพรได้แก่ผู้ขี้หลงขี้ลืมเวลาที่มีผู้อื่นตักเตือนก็นึกได้ข้อว่าสติเกิดด้วยลักษณะนั้นคืออย่างไรคือเกิดขึ้นด้วยได้รู้เห็นลักษณะแห่งคนหรือสัตว์นั้นๆเช่นได้เห็นโคของผู้อื่นที่มีลักษณะเหมือนโคของตัวเองก็นึกถึงโคของตัวเองได้ข้อว่า สติเกิดด้วยการระลึกนั้นคืออย่างไรคือคนขี้หลงขี้ลืมมีผู้เตือนให้ระลึกแล้วระลึกเล่าก็ระลึกได้ข้อว่าสติเกิดด้วยการหัดคิดนั้นคืออย่างไรคือผู้ที่ได้เรียนหนังสือแล้วย่อมได้รู้ว่าอักษรตัวนี้ควรไว้ในระหว่างอักษรตัวนี้ ส่วนอักษรตัวนี้ควรไว้ติดกันกับอักษรตัวนี้ข้อว่าสติเกิดด้วยการนับนั้นคืออย่างไรคือธรรมดาผู้นับย่อมระลึกถึงสิ่งต่างๆได้มากเพราะเมื่อนับดูก็ย่อมนึกได้ถึงสิ่งนั้นสิ่งนั้นข้อว่าสติเกิดด้วยการจานั้นคืออย่างไรคือผู้จําดีก็นึกถึงสิ่งต่างๆได้ ข้อว่าสติเกิดด้วยการภาวนานั้นคืออย่างไรคือผู้ได้รับการอบรมบูเพนิวาสานุสติญาณย่อมระลึกชาติหนหลังได้ข้อว่าสติเกิดด้วยการจดไว้คืออย่างไร ค, ไคือเมื่อได้อ่านดูสิ่งที่ตนจดไว้ก็นึกได้ ข้อว่าสติเกิดด้วยการเก็บไว้นั้นคืออย่างไรคือได้เห็นของที่ตนเก็บไว้แล้วจึงระลึกได้ข้อว่าสติเกิดด้วยการเคยพบเคยเห็นนั้นคืออย่างไรคือระลึกได้ด้วยการเคยพบเคยเห็นมาก่อนอย่างนี้แหละมหาบพิษชื่อว่าสติเกิดด้วยอาการสิบเจอย่างนี้ถูกต้องดีแล้วพระนาคเสน